ฟังฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้ว่ามุ่งเหลืองเข้าสู่ความรุ่งเรือง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 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกท่านเหตุการณ์มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันช่วงนี้นี่คงให้ความสนใจกับเรื่องของโควิด -19 n e t e นะฮะไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับน ะ, ะก็กําลังมีการควบคุมมีการดูแลเข้มงวดกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่ กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในแพทย์โสพลเอียมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปถแถลงถึงสถานการณ์โควิดนะครับบอกว่าวันที่11มีนาคมมีผู้ป่วยโควิดสเกเพิ่มอีกหกรายนะครับแล้วนะนะก็มีทั้งในส่วนของที่เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินด้วย นะครับแล้วก็มีในส่วนของพนักงานบริษัทเอกชนอะไรต่างๆที่ใกล้ชิดกับต่างชาตินี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็มีอยู่6กลายนะครับนะก็มีการคัดกรองมีการไปรักษาแหะครับนะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่คงจะต้องดูในขณะที่นักข่าวถามบอกไทยยังอยู่ในระยะที่2หรือไม่ในแพทย์โสพลบอกว่าก็ยังอยู่ในระยะที่2อยู่นะครับนะยังไ ม, ไม่ได้เป็นระยะที่3 ร ะ, ระยะที่3นี่คือมันจะกว้างขวางมีการเผยแพร่กันนะครับแต่เพราะในตรง น, นี้ยังอยู่ในระยะที่สองยังควบคุมได้อยู่นะครับแล่ก็พราะในตรงนี้นี่ก็เน้นการกักตัวคนไทยที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นเวลา14วันนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องเข้มงวดตรงนั้นนะครับแต่เพราะในตรงนี้คงจะต้องดูส่วนในแพทย์โอแพท การกวินพงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าแรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้มาอยู่ที่ฐานทัพเรือสัสตหีบ241รายนะครับแล้วก็มีการดูแลพิเศษนะครับเพื่อที่จะเฝ้าดูอาการก็อยู่14วันเสร็จแล้วก็อาจจะมีการปล่อยนะครับมีการปล่อยให้กับภูมิลำเนานะครับมีการคัดกองอะไรต่างๆนะครับวันที่12มีนาคม ที่ผ่านมามีการประชุมที่ทำเนียบรัมดาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยงตีในฐานะผู้อนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019เนี่ยครับก็เรียกประชุมตัวแทนต่างๆมีนายอนุทินชาญวิรุกุลรองนายองตีแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณาสุขและคณะก็เข้าร่วมนะครับมีการพูดคุย นะแล้วนายกบอกว่าจะมีการกําหนดมาตรการรองรับคนที่มาจากต่างประเทศนะก็มาดูแลนะครับนะซึ่งก็อาจจะต้องถ้าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการที่ขักตัวไว้สิวันคนะัดกรองตรวจสอบนะครับส่วนถ้านะไม่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็จะมีการส่งกลับยังภูมิลําเนาซึ่งจริงๆล่าสุดนี้ก็บอกแล้วนะครับบอกว่าให้สถาน กักกันที่หลายๆจังหวัดวางไว้นี่ก็ยกเลิ ก, กว่าจะส่งไปดูแลให้ไปกักกันที่บ้านอย่างภูมิลำเนานะครับเพราะนั้นนี่ที่สถานกักกันในหลายๆจังหวัดนี่ก็คงจะไม่มีตอนเน้นที่จะให้ในส่วนของผู้นำชุมชนอสม อ, อะไรต่างๆนี่ดูแลกันนะครับนในสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ ประเทศต่างๆนะครับที่ให้ยกเลิกการออกวีซ่าที่สนามบินหรือเขาเรียกว่าวีซ่าออนออริวลเนี่ยมีอยู่18ประเทศหนึ่งเขตเศรษฐกิจก็คือไต้หวันนั่นแหละครับนะก็มีประเทศบันแกเรียนะครับภูฐานจีนไซปีัดเอธิโอเปียหมู่เกาะฟิจิจอร์เจียอินเดียคาซัคสถานมอนต้าเม็กซิโก นาูรูปราปัวนิวกินีโรมาเนียรัสเซียซาอุดีอาระเบียไต้หวันอุซเบกิสถานวา努อูตูนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงอ่าคือมาถึงเมืองไทยนี่ต้องอ่มาขอวีซ่าที่สนามบินไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นนี่นต้องขอจากที่สถานทูตสถานกงสุนของไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆก่อน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับป้องกันในส่วนของนายแพทย์สุ ข, ขุมการจะนะพิมายประลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกบอกว่าการคัดกรองผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการส ก, กินตั้งแต่อยู่ต่างประเทศนะต้องมีใบรับรองแพทย์นะมีมีบีซ่าตามระบบสถานทูตนะก็คือต้องมีใบรับรองแพทย์จากประเทศที่เดินทางมาว่าปลอดภัย เมื่อมาถึงสนามบินประเทศไทยก็จะมีการคัดกรองนะอีกอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะป้องกันนะไม่ให้มีการเสี่ยงนะครับเพราะมีการควบคุมอย่างดีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นนี่ถ้าถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะที่ต่างจังหวัดก็จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะอสมอไปดูแลนะครับนะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะไปไปติดตามไปไปดูแลนะครับเพราะนั้นต้องมีการกักตัวอยู่ที่บ้านนะนั่นก็เป็นมาตรการนะครับนะเนะนะพราะในตรงนี้คงจะต้องนะร่วมมือกันในหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อที่จะนะให้ให้การป้องกันการควบคุมเป็นไปได้นะครับป้องกันการระบาดหนักนะซึ่งตรงซึ่งตรงนี้นี่คง ต้องอาศัยความร่วมมือของของทุกภาคส่วนน่แหละครับนะเพราะนั้นคนที่ที่มาจากกลุ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงก็คือถ้ามาก็พักอยู่ที่บ้านนะเป็นหลักนะพยายามที่จะไม่เดินทางไปท่องเที่ยวนะหรือตามร้านอาหารอะไรต่างๆนี้คงต้องงดเว้นนะครับนะเพราะตรงนี้คงจะต้องช่วยกันดูแลนะในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะ การแพร่ระบาด ใ, ในเมืองจีนนี่ลดลงนะครับในจีนนี่เริ่มลดลงแล้วแต่ว่าที่หนักหน่วงก็จะเห็นเป็นแถวยุโรปเราจะเห็นนะครับที่อิตาลีนี่มีการปิดเมืองเหมือนกับเมืองจีนแล้วมีการงดแข่งกีฬาฟุตบอล น, นะครั บ, รบเลื่อนกันออกไปเริ่มกระทบในวงกว้างนะครับที่อิตาลีนะครับแล้วเยอรมันแล้วก็ อ, อังกฤษประเทศแถวยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่เริ่มเริ่มกระทบเพราะน่าคงจะต้อง ดูแลถองช่วยกันทุกส่วนมาแลับฟังเพลงสักเพลงก่อนจะมาพูดคุยต่อครับ คนสวยแฟนพี่บกมือไว้ไว้ที่ลาคนเดิมวนาน้นคงเจอกันใหม่ยังคิดถึงแกงหน่อไม้ใส่กุยน้อยพี่มือเนือ้อทอก่อนจะจากไกลภาพน้องสาไว้ยติดตาบ่ลืมคำเวาอันแสงดูดึง ขอให้พี่ลืมเปลี่ยนใจจากน้องสิลืมจังได้หัวใจพี่ทางสีห้องยกให้นางเดียวทรอบรอน้องจงอย่าได้อาวองดอกกากระเลาบานเช้าเมื่อกลางเดือนสิจำบ่ลืมเลยแม่คนดี วันน้องกับพี่สุขใจอ้อมซ้อสัญญาฟังมูว่าเฮาหากันแน่นอนวันนี้พี่ต้องจากจอหักใจอำลาไปหาเงินพอโบอกมือยอยยอยตาน้องส้ำหอยฝากความอาลัยดังเหมือนมีความโอกใจ ท้อนสวงในให้หวงอาวอที่ลาคนเดินลาเดินแม่คนตาองอหลับตาสวงพี ตา่น่องซ้ำอ่ออีฝากความอาัยดังเมืองมีความโอกใจสะท้อนสวงในให้ห่วงอาวอที่ลาคนเดิ้ลลาเดิ้แม่คนตางอหลับตาสวงที่สะท้อนพอพ่อรัคผมแม่ มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่เราได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด19กันมากนะกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับเอสเอ็อ e, ค่อนข้างได้รับผลกระทบแล้วครับนะมีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมมวยษัตว์นําเที่ยวต่างๆร้านอาหารเลยกระทบกันหนักนะ มีการเลิกจ้างงานมีอะไรต่างๆเพราะนี้ในส่วนรัฐบาลนี่ก็จะมีการเอางบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจมาสู้กับผลกระทบจากโควิด -19 เกนี่ยนะครับสนะก็บอกว่ามีอยู่14มาตรการนะครับเนะพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จากการเปิดเผยของนายอุตมะเนะสาวนายน์ด้านตีคลังก็บอกว่ารัฐม น, นตรี เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ระยะที่1นทั้งสิ้น14มาตรการ3ด้านซึ่งประกอบไปด้วยด้านการเงิน4ีมาตรการก็คืออันแรกให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบท้งทางตรงทางอ้อมจากกรณีโควิด -19 นี่นะครับโดยธนาคารอมสินก็สนับสนุน เงินทุนดอกเบีย้ยต่ำประมาณแสนห0 0หมล้านนะครับให้แก่สถาบันการเงินอัตราดอกเบีย้ยศูนต่อปีสถาบันการเงินก็ให้สินเชื่อกับผู้ได้รับผลกระทบไม่เกิน20ล้านบาทดอกเบีย้ยสต่อปีแระยะเวลา2ปีโดยรัฐบาลจะชดเชยอัตราดอกเบีย้ยให้แก่ธนาคารอมสินประมาณ 7,500 ล้านนะครับเป็นช่วยเหลือเอสนะครับอันที่2ก็คือ การพักต้นเงินลดดอกเบี้ยแล้วก็การ ข, ขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ที่รับผลกระทบะของสถาบันการเงินนะครับอันแล้วก็ในส่วนของสามนี่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในการจัดชั้นสินเชื่อปกติเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการอนุมัติเงินกู้ให้กับลูกหนี้นให้มีสภาพคล่อง แหนที่4คือสำนักงานประกันสังคมก็จะร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านนะครับได้รับสินเชื่อเป็นระยะเวลา3ปีนะเป็นามาตรการนะครับที่จะช่วย SME หรือผู้ประกอบธุรกิจนอกจากนี้ยังมี4ีมาตรการก็คือการาลดอัตราภาษีเงินได้ หากหน้าที่จ่าย 3% เหลือจาก 3% ใเนเี่ยเหลือ 1.5% เพรานะครับนนั้นก็ลดการเก็บนะครับนะการเก็บเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้อันที่สองก็ลดภาระัะดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ SME นะที่เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะเพราะฉะนั้นก็คือนะลดช่วยเหลือลดดอกเบี้ยให้กับ SME ด้วยนะครับอันที่สามก็คือ ส่งเสริมสถิรภาพการจ้างงานก็ให้ SME เนี่ยหักรายจ่ายได้สามเท่าสำหรับรายจ่ายค่าจ้างของเดือนเมษาถึงกรกดาที่ค่าจ้างที่จะให้กับลูกจ้างเนี่ยนะครับก็คือจะมารัฐก็จะชดเชยช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยคงจะต้องดูอันที่4ก็เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการในประเทศที่เป็นผู้ส่งออกที่ดีก็จะคืนให้มอนการช่วย ในมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูแลนะครับนะเพิ่มประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้นี่ก็ยังมีการเห็นชอบในการคืนเงินการประกันการใช้ไฟนะครับนะซึ่งมีการคืนเงินให้กับประชาชนทั่วไปนะครับนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนการที่เราเคยประกันค่ามิเตอร์ไฟต่างๆเหล่านั้นครับนะก็ไล่ไปนะครับก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะ ช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะบรรเทาได้ส่วนที่จะแจกเงิน2 0 0พบาทนะต่อรายนี่นาะยกน้ำตีอย่างฉลอไว้อยู่นะครับเนื่องจากว่ามีเสียงทักท้วงจากสื่อมวลชนจากประชาชนมากเนะเขาอยากจะให้เอางบต่างๆเหล่านี้ไปไปไ ป, ไปซื้อหน้ากากอนามัยไปดูแลเกี่ยวกับเรื่อง นะครับอนามัยให้เพียงพอกับบุคลากรทางการแพทย์เพราะเห็นว่าขาดแคลนกันหนักนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูมาตรการที่ที่รัฐบาลเขาจะไปจะไปช่วยเหลือนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงคงต้องดูนะครับคงต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายาม การพยายามพยุงไม่ให้ SME เนี่ล้มนี่ก็เป็นเป็ น, ปนมนาตรการที่ถูกต้องแหละครับเพราะ SME นี่ก็เป็นแหล่งจ้างงานนะฮะถ้าถ้ามีการเลิกจ้างก็จะมีการว่างงานก็จะส่งผลกระทบแหะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแรงงานไม่มีไรายได้นะครอบครัวก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวด้วยเหมือนกันนะคงคงจะต้องดูนะเอสไม่ให้หมีการล้มนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูและมีข่าว เกี่ยวกับเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมนี่นะครับนะทั้งตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุดยุยยะจุงลุ่งเหลืองกิตบอกว่าทางกระทรวงจะส่งเสริมอุตสาหกรรมกันชงสู่สเชิงพาณิชย์นะนะก็มีการบอกว่าจะมีการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการเกษตรก ร, รทางกระทรวงจะเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมกันชงกันชงนี่ก็เป็น เป็นพืชที่คล้ายกัญชาแต่ไม่ใช่กัญชานะจะส่งเสริมให้มีการปลูกแล้วก็มีการมาแปะรูปและส่งออกนะตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนถึงกระบวนการผลิตสินค้าก็ยกระดับกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับซึ่งตรงนี้กำลังดำเนินการกันอยู่ก็ถ้าผลิตและส่งออกได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับนะปัจจุบันในการปลูกกัญชงทั่วประเทศ ปลกประมาณ500กว่าไร่ใน8จังหวัดนะก็ยังยังยังไม่มากนะครับถ้าถ้าทางรัฐบาลส่งเสริมนะเป็นเรื่องเป็นราวเอามาเป็นยาสมุนไพรมาทํำเลตต่างๆนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีบอกว่ามาเลดที่สกัดแล้วมาทําอาหารเครื่องดื่มเครื่องสํำอางอะไรต่างๆได้เหมือนกันแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องยาได้นะครับยารักษาอะไรต่างๆนะเพราะฉะในตรงนี้นี่ก็ ต้องส่งเสริมกันไปในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับชีวิตจะสั้นเพราะขวัญบุหรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุรีครับสำหรับวันนี้ผมดิรันกุลธนานต้องขอลาท่านผไมก่อนและพบกันโ อ, อ ก, กาสหน้าครับสวัสดีครับ เดือนสิบสองน้ำของเออ้อยท่วมนองปิดทองพระทาเชียงแสนงกันกลางระหว่างคมแดงเฮาบอยหน้าแฟปิดแดนเสแล้วละ่ะนา ยืนต้องมองบังคงไล่ล้องใจหายคงคงหูยอดชูอยู่สายเขาให้เหตุงานอันใดชะนายบ่ส่งขาวมาฟังไทยอธิปไตยเสรี ไปด้วยข่าวพาเจ้าอยู่ยังจันไอคิดทอดลายเวลาเห็นน้ำโคงเอื่อยมาคงเมือง น, น้ำตาจาบันโ อ, โ, อโอ้หักไอมีฟังสาฟังพาคืนดีคง ม, มีหักรู้ ข, ของแม่เอ๋ยช่วยเป็นพยาไอ้ฮักแม่สาวเยียงจันภักเดี้ยฮักมันหมดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผู้เดซิริวิครับกระทรวงการต่างประเทศเตรียมพร้อมช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เลวร้ายลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอําภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมืองต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหากรรมก้าวหน้าผสมผสานอําเภอเบตงจังหวัดยะลาเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอําเภอสุงไงก่อลกจังหวัดนาราธิวาสเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่ ง, ย, งยั่งยืนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเส้นทางอาจเปลี่ยน แต่ศูนย์บริการรถยนต์วิสุบิชิดูแลคุณและรถไม่เคยเปลี่ยนมอบส่วนลดสูงสุด